بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خ ط ا ب الإسلامية ا ل د م ا م تواصل مع أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامدي الشريف التاسع ويحتوي على س و ر الكهف مريم ط ا ه ا الأنبياء. نعم ب و الكافي ب و الكافي بند م ك ي ه อันดับที่18มีทั้งหมด110องการเป็นบทหนึ่งในห้าบทที่เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์บททั้งห้าคืออัลฟาตีอัลอัลออัลกัฟซาบาและฟาตดังกล่าวทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญให้เกียรติแด่อัลลอ์ผู้ทรงสูงสง่งเทอดทูลความศักดิ์สิทธิ์แด่พระองค์ยอมรับความยิ่งใหญ่ความเกียยไใจ ค, ความเคิ่กล้อง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 เรื่องการฆ่าเด็กกำราและการมูรณะกําแพงเรื่องที่สามคือเรื่องสุลกอรไ์ไนเขาเป็นกษัตริย์ซึ่งอลัลลอฮ์ทรงให้เขามีความเข้มแข็งยังเกรงและมีความยุติธรรมโดยให้เขามีอํานาจปกครองอย่างกว้างใหญ่ไพสาลตามคําเรียกร้องของประชาชนนอกจากเรื่องทั้งสามแล้วบทนี้ยังได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงอีกสามเรื่อง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 กล่าวถึงการดำรงชีวิตยอยู่ในโลกนี้และสิ่งที่ติดตามด้วยความดับสลายและการสูญเสียตัวอย่างที่สามกล่าวถึงการยิ่งยะโสและการจบของเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิบลิสที่มันปฏิเสธไม่ยอมคาระวะต่ออาดับจงกระทั่งถูกเฉดว่าออกจากความเอ็นดูเมตตาของอลัลลอฮ์เรื่องราวต่างๆ ต, ต, ตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้นามากล่าวไว้นนั้น ก็เพื่อเป็นนิทัตอุทาหอนโดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แนะและเป็นบทเรียนแกบ่บรรดาผู้ศึกษาในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในขัลอดที่ถูกต้องนั่นบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลกัฟิเพราะมีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าและเรื่องประหลาดเกี่ยวกับชาวธรรมส่วนใหญ่ขององค์การบทนี้คือประมาณ71องค์การจากจำนวนทั้งหมด110องค์การ กล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆในอดีตคือเรื่องของชาวถ้าเรื่องของชาวสวนเรื่องของอาดามกับอิบลิสเรื่องของอูซาเกี่ยวกับบ่าวที่ดีคือคอเรินและเรื่องของซุลกอตไนส่วนองค์การที่เหลืออีก39องค์การเป็นคําอธิบายประกอบหรือวิจารณ์เรื่องต่างๆที่ได้กล่าวมาแต่ละเรื่องนอกจากนั้นเป็นการกล่าวถึงบางส่วนของภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันปิโลก และภาพลักษณ์แห่งการดำเนชีวิตตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเล่าเรื่องที่เกิดขึ <connect> ้นด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ผู้ทรงประทานคัมภีร์แก่ปวงบาปของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้มันบิดเบือนแต่อย่างใดเป็นคัมภีร์ที่เที่ยงธรรม เพื่อเตือนสัมทับเรืนงการลงโทษยาบุมแดงจากพรมและเพื่อแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาที่กระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอันดีง า, า, า, บบาเป็นผู้บรรณักอยู่ในนั้นตลอดกาลและเพื่อเตือนสัมทับบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอ รบคบรคริวพวกเขาไม่มีความรู้ใดๆในเรื่องนี้และบรพบรุษของพวกเขาก็เช่นกันเป็นคํากล่าวที่น่าเเลี่ยนยิ่งที่ออกมาจากปากของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้กล่าวอันใดออกมา กวาเนอกจากความเท็บิฮะดะิฟอนั้นบางที่เจ้าอาจเป็นผู้ทําลายชีวิตของเจ้าด้วยความเสียใจเนื่องจากการขินหลังของพวกเขา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 และแน่นอนเราได้ทำให้สิ่งที่อยู่บนพื้นดินเป็นผุยผงแห้งแลง้งเจ้าคิดรู้ว่าชาวถ้ำและก็แผ่นจาริึกเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณมหัศจรรย์ของเรากระนั้นหรืออิดอ و الكثيرو إلى الكهف فقالوا ربنا آت ل ن อาธินามินละดุนกะรัฐมะตนวะหยิละนามินอัมรินารัชดาจมดำเลึกถึงขนาดที่พวกชายหนึ่งหลบเข้าไปในข้าแล้วพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอปรงทรงโปรดประทานความไม่ตาจากปรงแก่เราด้วยเธอ และทรงให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วเราได้อุดหูของพวกเขาให้นอนหลับอยู่ในถ้าเป็นเวลาหลายปีแล้วเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าผู้ใดในสองพวกนั้น นับเวลาที่พวกเขาอยู่ได้อย่างถูกต้องกว่าเราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เจ้าฟังตามปากเป็นจริงแท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา แลเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาด้วยและเราได้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาขณะที่พวกเขาดึงขึ้นประกาศว่า พระผู้อภิบาลของเราคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเราจะไม่มวิงวอนพระเจ้าอื่นจากเราดิฉันนั้นเราก็กล่าวเกอนความเป็นจริงอย่างแน่ น, อ ล, น, นอลิลลบบลมมน กลุ่มคนเหล่านั้นของเราได้ยึดเอาพระเจ้าต่ตางๆอื่นจากโพรคทำไมพวกเขาจึงไม่นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันเราดังนั้นจะมีผู้ใดอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จ ต, ต่อวมรือ เย้่งและเมื่อพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพดือจากอัลลอฮ์แล้วฉังนั้นพวกเจ้าก็จงหลบเข้าไปในถ้ำเถิดพระผู้ริบาลของพวกเจ้าจะทรงแผ่ความเมตตาของพระองค์แก่พวกเจ้าและจะทรงให้กิจการของพวกเจ้าดําเนินไปอย่างสะดวกสบาย وَكَرَشْنَ سَإِذَا طَلَعَتْ ذَوَرْعَكَ ا ف ِ ه ِ م ْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غ َ ر َ ب َ ت ت َّ قَرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ منه ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ا ل ْ م ُ ه ْ ت َ د ِ แต่จะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นมันจะร้อยจากถ้ำของพวกเขาไปทางกวาและเมื่อมันตกมันจะเบนออกไปทางซ้ายโดยที่พวกเขาอยู่ในที่ร่มกว้างของมันนั่นคือส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ผู้ใดที่อัลลอฮ์สงให้ทางนำถูกต้องแก่เขาเขาก็คือผู้ที่อยู่ในทางนาที่ถูกต้อง แล้วผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาหลงเขาวควจะไม่ยพบผู้ช่วยเหลือผู้ชี้ทางแก่เขาหลด และเจ้าคิดว่าพวกเขาตื่นทั้งทั้งที่ทพวกเขาหลับและเราพลิกพวกเขาไปทางขวาและทางซ้ายสุนัขของพวกเขาเหยียดขาหน้าทั้งสองของมันไปทางปากถ้าหากเจ้าจ้องมองพวกเขาแน่นอนเจ้าจารหลังเลิดหนีจากพวกเขาและเจ้าจะเต็มไปด้วยความตกใจ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ ل َ ب ِ ث ْ ت ُ م ْ قَالُوا ل َ ب ِ ث ْ ن َ ا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّنَا مَعْلَمُ بِمَا ل َ ب ِ ث ْ ت ُ م ْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ ب ِ و َ ر ِ ق ِ ك ُ م ْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ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 ي ي ถ้าจิตพวกเขานั้นหาพวกเขารู้เรื่องของพวกเจ้าพวกเขาเจ้าก้อนหินขวางพวกเจ้าหรือนำพวกเจ้ากลับไปนะักถือศาสนาของพวกเขาและเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ประสบความเสเร็จเลย وَكَذَلِكَ أ َ ع ْ ت َ ر ْ ن َ ا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ا ل س َّ ا ع ََ ل َ ر َ ي ب ٌ فِيهَا إِذْ يَتَلازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ب ُ ر ْ ه ا ن ٌ عَلَيْهِمْ ب ُ ل َ ى ي َ ن َ ج َُّ اللَّهُ ۚ أ َ أ َُ م ْ أ َ ش َ د ُ ب ِ ه ِ م ْ และในทำนองนั้นเราได้เปิดเผยแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าสัญญาณของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงและแท้จริงวันสิ้นโลกนั้นมีจริงไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อพวกเขาโต้เถียงกันในหมู่พวกเขาถึงเรื่องของพวกเขาแล้วพวกเขากล่าวว่า ทรงสร้างอาคารที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขาพระผู้อภิบาลของพวกเขาทรงรู้ดียิ่งในเรื่องของพวกเขาฝ่ายบรรดาผู้มีเสียงข้างมากในเรื่องของพวกเขากล่าวว่าแน่นอนเราจะสร้างมัสยิด ท, ที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา ويقولون خمسة س ا د س ه م كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة و ث م ن ه م كلبهم الرب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل พวกเขาจะกล่าวกันว่าชาวถ้ำนั้นมีสามคนที่สี่ก็คือสุนัขของพวกเขาและอีกกลุ่มจะกล่าวว่ามีห้าคนที่หกคือสุนัขของพวกเขาทั้งนี้เป็นการคาดเดาในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ และกลุ่มจะกล่าวว่ามีเจ็ดคนและที่แปดคือสุนัขของพวกเขาจงกล่าวเถิดพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงจำนวนของพวกเขาไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขาเว้นแต่ส่วนน้อยดังนั้นเจ้าอย่าได้โต้เถียงกันในเรื่องของพวกเขาเลยนอกจากการโต้เถียงที่ประจกักษ์ชัดและอย่าสอบถามผู้ใดในเรื่องของพวกเขาเลย تَقُولَنَّ และเจ้าอย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทำสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้อิลลั่ออิยาชาอัลลอฮฺวัดคุบอินซ เ ว, ออว้นแต่อลล a h ส่งประสงค์จงน้ำเลือกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าเมื่อเจ้าลือและจงกล่าวว่าบางทีพระผู้อภิบาลของฉัน จะทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้แก่ฉันและพวกเขาความนักอยู่ในถ้ำของพวกเขาสามรอยปีและเพิ่มอีกเก้าปีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็ู้ทรงรูวาที่อยูร์และโลกาินและไดิิ่ง่าได้ยิ จงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าล้อทรงรู้ดียิ่งกว่าพวกเขาพำนักอยู่นานเท่าใดสำหรับพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยในบรรดาชั้นปาละแผ่นดพระองค์ทรงเห็นชัดและทรงฟังชัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผู้คุ้มครองใดสำหรับพวกเขาอื่นจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงรับรู้ผู้ใดเข้าร่วมเป็นพาที ในการรองององขและจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การแก่เจ้าจากคำพีของพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่มีผูใ้ใดเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของพระองค์และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใดๆเลยนอกจากพระองค์ و َ ص ب ِ ر ْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ر َ ب َّ ه ُ م بِالْغَدَاتِ و َ ا ل ْ ع َ ش ِ ق ِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ع َ ذ ِ ك ْ ر ِ ن َ ا وَاتَّبَعَهَوَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا แจะจงอดทนต่อตัวของเจ้าร่วมกับผู้วิงวอนขอต่อพระผู้วิบาลขอพวกเขาทั้งอย่างเช้าและอย่างเย็นโดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์และจะให้สายตาของพวกเจ้าหันเหออกจากพวกเขาขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตในโลกนี้และเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราได้ทําให้หัวใจของเขาละเลยจากการนำลึกถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ําของเขา وقل الحق من ربك م فما ش ا ء ف ا ل ؤ م و ر وما ش ا ء ف اليفات إنما أ ع ت د ن ا للظالمين َ ا رن أحاط بهم ص ر ا د ُ ه ا و إ ن จ uh uh, งกล่าวเถิด ม, มูมัดว่าสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธาและผู้ใดไม่ประสงค์ก็จงปฏิเสธแท้จริง เราได้เตรียมไฟนรกไวสําหรับพวกอธรรมซึ่งกําแพงของมันได้ล้อมรอบพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ําเสมือนน้ําทองแดงเดือดลวกไปหน้ามันเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วชาและเป็นพิษพมักที่เลวร้ายอินนัลเดีน่ามันูอัมรุลสาลิฮะตีอินนัลาณูดิย อ, อัจร์มันอัพสันอัมลา ถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายแน่นอนเราจะไม่ให้การกระทำดีของพวกเขาต้องสูญหายละเอกราห์มีสวนที่อยู่ในยั้น أ ชั agen, ้นเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับสวนสวรรค์หลากหลายเต็มที่พำนักมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาในสวนสวรรค์พวกเขาจะรับประดับกําไลทอง และสวมเสื้อผ้าสีเขียวที่ทำด้วยผ้าใหมละเอียดและผ้าไหมอยางนอนเอกเนกอยู่บนเตียงในสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนดียิ่งและเป็นที่กํานักที่ดียี่งวบริบล هم م َ ม, มَ ل ُ الرَّجُلِ ي َ ج ْ ع َ และจงเปรียบเทียบปูทาหอนหนึ่งแก่พวกเขาคือชายสองคนเราได้สวนองุ่นสองแห่งแก่คนทั้งสองและเราได้ล้อมสวนทั้งสองไว้ด้วยต้นอินทพลังและเราได้ทำให้พืชพันธุ์ระหว่างสวนทั้งสองด้วยแต่และสวนทั้งสองนี้ ได้ออกผลของมันอย่างสมบูรณ์ไม่เคยลดน้อยแต่อย่างใดและเราได้แม่น้ำไหลผ่านสวนทั้งสองและเขาได้รับผลผลิตดังนั้นเขาจึงกล่าวแก่เพื่อนของเขา ขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่าฉันมีทรัพย์สินมากกว่าเจ้าและมีบริวารมากกว่าเขาได้เข้าไปในสวนของเขาโดยที่เขาเป็นผู้าทมต่อตัวของเขาเองเขากล่าวว่า ฉันไม่คิดว่าสวรรค์ น, นี้จะพินาศไปได้เลยและฉันไม่คิดว่าวันอวสานของโลกจะมาขึ้นและหากว่าฉันจะถูกให้กลับไปยังรพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนฉันจะกลับไปพบที่กลับที่ดียิ่งกว่านี้ เพื่อนของเขากล่าวแก่เขาขณะที่กำลังโตเถียงกันอยู่ว่าท่านเลระคุลต่อพระผู้ทรงสร้างท่านจะดึง แล้วจักเชื้อสุขิและบระงทรงทำให้ท่านเป็นคนโดยสมบูรณ์ตรักระนึ้งแต่ฉันเชื่อว่าร الله, พระองค์ทื่อัลลอฮ์พระผู้อวบานของฉัน แต่ฉันจะไม่ตัง้งคุณใดเป็นภาทีกับพระผู้อภิบาลของฉันเป็นอันราบแล้วทำไมเล่าเมื่อท่านเข้าไปในสวนของท่านท่านควรกล่าวว่าสิ่งที่ลอ้อทรงประสงค์ ย่อมเกิดขึ้นไม่มีพลังใดๆที่ช่วยเราได้นอกจากที่อัลลอฮ์เท่านั้นหาท่านเห็นว่าฉันด้อยกว่าท่านทางด้านทรัพย์สินและลูกหลานา ดังนั้นบางทีพระผู้อภิบาลของท่านจะทรงประท า, าในให้ท่านดีกว่าสวนของท่านและจะทรงส่งสายฟ้าฟาดลงที่สวนของท่านแล้วมันจะกลายเป็นที่ดินโล่งเตียน ห ah รือน้ำของมันกลายเป็นที่เหือดแห้งแล้วท่านไม่สามารถจะพบมันได้เลย أ ا أ ا. และผลผลิตของพวกเขาจะถูกทำลายาแล้วเขาก็ประกบฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยความเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้จับจ่ายไปและมันพังภาพลงมาและเขากล่าวว่าโอ้หากฉันไม่เอาผู้ใดมาตั้งพาธีกับพระผู้อภิบาลของฉัน แลวเขาไม่มีพักพวกที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์และเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยเหาาลือนัลลลล่นค ا ل و ل ا ي لله ح ق هو خير ث و ا ب وخير ا การช่วยเหลือคุ้มครองเป็นของอัลลอ์ผู้ทรงสัจจ์และพระองค์ทรงดียิ่งในการตอบแทนและทรงดียิ่งในบนลดดริมม ด, ดุนามออิน และจงเปรียบเทียบอุทาหรนการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้แก่พวกเขาประหน่งน้ำที่เราหลังลงมาจากฟ้าฟ่า ดังนั้นพืชผลในแผ่นดินก็จะคลุกเคล้ากับน้ำแล้วมันก็แห้งกรังเป็นเศษเป็นชิ้นซึ่งลมจะพัดมันให้ปลิวว่อนและปรากฏว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งออัมลมมวบบบน น, น ต, ย, ต, น ย, ต ال ยรก ทรัพย์สมบัติแนละลูกหลานนั้นเป็นเครื่องประดับชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และความดีทั้งหลายที่จีรังนั้นเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งณพระผู้อภิบาลของเจ้าและเป็นความหวังดียิ่งและจงรำลึกถึงวันที่เราได้ให้เทือกเขาเคลื่อนย้ายไป แล้วเจ้าจะเห็นแผ่นดินราบเรียบแล้วเราจะชุมนุมพวกเขาดังนั้นเราจะไม่ให้ผู้ใดออกไปจากผู้เท่าเลยและพวกเขาจะถูกนำมายืนเป็นแถวต่อหน้าพระผู้อภิบาลของเจ้า โดยแน่นอนพวกเจ้าจะถูกนามายัางเราดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรกและพวกเจ้าอ้างว่าเราไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับพวกเจ้าววลิาบริมีนมุชิีนมิมาียยาวยลามาลิดัลิาบยุาดิรีรลาคีรอิลลาอ และบันทึกทุกวางไว้ดังนั้นเจ้าเห็นผู้กระทำความผิดทั้งหลายวันกลัวสิ่งที่อยู่ในบันทึกและพวกเขากล่าวว่าโอ้ความวิบัติของเราเอย่ยนี่บันทึกอะไรกันมันไม่ได้ละเว้นสิ่งเล็กน้อยและสิ่งใหญ่โตเลยเว้นแต่ได้บันทึกมันไว้อย่างครบถ้วน และพวกเขาได้พบสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้รปรากฏอยู่ต่อหน้าโดยที่พระผู้ภิบาลของเจ้าจะไม่อาทำตอบกลับได้ ت ت ت และจงนับลึกถึงเมื่อเราได้กล่าวแก่มาลายกาวา่าจงครวะต่อ adam อเพราะเขาก็สแสดงการครวะเว้นแต่อิบลิสมันอยู่ในจำพวกยิน ดังนั้นมันจึงฝ่าฝืนคําสั่งของพระผู้อภิบาลของมันและพวกเจ้าจะยึดเอามันและวงวานของมันเป็นผู้คุ้มครองตื่นจากข่ากระนั้นรึทั้งทงที่พวกมันเป็นศัตรูกับพวกเจา้ามันช่างชั่วช้าจริงๆในการแลกเปลี่ยนสําหรับพวกอัตถะม่ให้ฉนเห็นพวกเขาสร้างสวรรค์และโลกและไม่สร้า ข้าไม่ได้เอาพวกมันมาเป็นพยานในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผนดินแม้ในการสร้างตัวพวกมันเองและข้าไม่ได้เอาผู้ที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดมาให้ความชื่นเดือนวัน และจงดำลึกถึงวันที่พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเรียกผู้พาชีของข้าที่เจ้ากล่าวอ้าง น, นั้นแล้วพวกเขาก็ร้องขอให้พวกมันช่อเหลือแต่พวกมันจะไม่ตอบรับพวกเขาและเราได้กำหนดให้มีแหล่งพินาศระหว่างพวกมันกันเอง م م และพวกกระทำผิดมองเห็นไฟนรกพวกเขาก็รู้ว่าแน่นอนพวกเขาจะตกลงไปในนั้นและพวกเขาจะไม่พบทางรอดจากมันไปได้ ถ้าเราได้ชี้แจงแก่มนุษย์ในอัลกุรอานนี้แต่ละตัวอย่างแต่มนุษย์ชอบโต้เถียงในเรื่องต่างๆเป็นส่วนใหญ่ َمَا مَنَعَ النَّاسَ أَيْنْ إِجْجَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ َيَسْتَغْفِرُوا أَنْ يُؤْمِنُوا رَبَّهُمْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ يَأْتِيَهُمُ إِلَّا الْعَذَابُ قُبُلًا และ ر ر ر ر إ ا แไม่มีสิ่งใดจะมายับยั้งมนุษย์ในการศรัทธาเมื่อทางนำที่ถูกต้องได้มาอย่างพวกเขา และการขออภัยโทษ ต, ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเว้นแต่จะให้ตัวอย่างแต่การก่อนมาอย่างพวกเขาหรือใจการลงโทษลงมาอย่างพวกเขาต่อหน้าต่อตา าาและเราไม่ได้ส่งบรรด า, าศาสนาทูตมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะโต้แยง้งด้วยความเจ็ดเพื่อทำลายล้าสัจธรรมด้วยมัน และพวกเขายืดนเอาองค์การทั้งหลายของข้าและสิ่งที่ถูกตักเตือนเป็นการล้อหนอี <S <S และผู้ใดจะทํายิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้รำลึกด้วยองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาก็หันหลังหา่างออกไปแล้วลืมสิ่งที่มือทั้งสองของพวกเขาประกอบเอาไว้แท้จริงเราได้ทําฝาผิดไว้บนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจและในหูของพวกเขาหนึ่งว แต่ถ้าเจ้าเรียกร้องเขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้องพวกเขาก็จะไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นเลยบบ ล, ล, ย uh มมลและพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ หากพระองค์จะส่งเอาโทษพวกเขาตามที่พวกเขาได้สะสมเอาไว้แน่นอนพระองค์จะส่งเร่งการลงโทษแก่พวกเขาแต่สําหรับพวกเขามีกําหนดเวลาซึ่งพวกเขาจะไม่พบที่พึ่งเอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและตำบลเหล่านั้นเราได้ทําลายพวกเขาเมื่อพวกเขาอายุติธรรม และเราได้กำหนดเวลาสำหรับความพินาษของพวกเขาไว้แล้วและจงระลึกถึงเมื่อมูสาได้กล่าวแก่คนใช้หนุม่มยูซะอิบนูนุลของเขาว่าฉันจะยังคงเดินต่อไปจนกว่าจะบรลุสู่ชุมทางแห่งสองทะเล หรือฉันจะคงเดินต่อไปอีกหลายปีจากนั้นเมื่อทั้งสองถึงชุมทางระหว่างทะเลแล้วทั้งสองลืมปลาของเขาฉานั้นมันจึงหาวิธีของมันลงทะเลไปตามทา ท่านเมื่อต้องสองเดินทางเลยต่อบอีกเขาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มของเขาว่าจงนำอาหารกลางวันของเราออกมา ความจริงเราได้รับความลำบากจากการเดินทางของเราในครั้งนี้เขาคนรับใช้บอกว่าท่านเห็นดอก เมื่อเราพำนักอยู่ที่ก้อนหินแท้จริงฉันลืมที่จะพูดถึงเรื่องกปล่าและไม่มีผู้ใดที่ทำให้ฉันลืมกล่าวถึงมันนอกจากชายตนและมันก็หาทางลงทะเลอย่างน่าประหลาดใจแทนเขากล่าวว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการหาดังนั้นทั้งสองจึงวนกลับตามร่องรอยไปที่เดิม แล้วท่านสอนได้พบบ่าวคนหนึ่งจากพวงบ่าวของเราที่เราได้ประทานความเมตตาจากเราให้แก่เขาและเราได้สอนความรู้จากเราให้แก่เขา ขซาได้กล่าให้เขาว่าฉันจะขอติดตามท่านไปได้ไหมโดยให้ท่านสอนสิ่งที่ท่านได้เคยเรียนรู้มาแก่ฉันตามแนวทางที่เที่ยงตรง้วอินกแเตสรเขาขอดิกล่าวว่าแท้จริง ท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมกับฉันได้และท่านจะอดทนได้อย่างไรในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อย่างท่องแพ้เขาโมเสสกล่าวว่าหากอ AH ัลลอ์ทรงประสงค์ท่านจะรู้ว่าฉันเป็นผู้อดทน ะฉัันนจไม่่ฝ า, า, าืคสเขาข้อติกล่าวว่าดังนั้นถ้าท่านติดตามฉันก็จงอย่าได้ถามถึงสิ่งใดๆจนกว่าฉันจะเล่าเรื่องนั้นให้ท่านฟัง ل ل ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางจนกระทั่ ง, งเมื่อทั้งสองลงเรือเขาก็อติจึงเจาะเรือให้เป็นรูเขาโมซากล่าวว่าท่านเจาะรูมันเพื่อให้คนที่อยู่ในเรือจมน้ําตายกระ น, นั้นดึก โดยแน่นอนท่านได้นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่งเขาค่อตรี ก, กล่าวว่าฉันไม่ได้บอกหรือว่าแท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได้เขาโมูสากล่าว โปรดอย่ า, อาโทษกับฉันเลยในสิ่งที่ฉันหลืมและอย่าบาังคับฉันให้ลำบากใจในเรื่องของฉันเลยอดังนั้นเขาทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไป จนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบเด็กคนหนึ่งเขาข้อติจึงฆ่าเด็กคนนั้นเขามูซากล่าวว่าท่านฆ่าชีวิตบริสุทธิ์โดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดต่อชีวิตอึ่งกระนั้นหรือแน่นอนท่านทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งเขาข้อติได้กล่าวว่าฉันไม่ได้บอกกับท่านหรือว่า แท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได้ ข, ออข้นนามูชากล่าวว่าหากคนถามสิ่งใดจากท่านหลังจากนี้ท่านอย่าพบฉันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอีกเลยแน่นอนท่านมีข้อแก้ตัวจากฉันพอแล้ว แล้วตรึกาพึ่ إذا أتيا أهل قرية ا س ت أ ط ع ما أهلها فأبو ا فأبو ا أ, ا ن يضيفهما و فوجد فيها جدار ا يريده ن ي يقضف أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجران ดังนั้นทั้งออกเดินทางต่อไป อยองกระทั่งเมื่อทั้งสองพบชาวตําบลหนึ่งทั้งสองได้ขออาหารจากชาวเมือง น, นั้นแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะต้อนรับทั้งสองต่อมาทั้งสองได้พบกําแพงแห่งหนึ่งกําลังจะพังลงมาแล้วเขาก็ทําให้มันตรงเขามูซากล่าวว่าถ้าท่านประสงค์แน่นอนท่านจะเอาค่าแรงปป่บแพงจากมันได้ เขาพอตรึกกล่าว่านี่คือการแยกจากกันระหว่างฉันกับท่านฉันจะบอกท่านถึงความหมายที่ท่าน ไม่สามารถมีความอดทนในสิ่งนั้นได้ส่วนเรื่องเรือเดินทะเลนั้นปรากฏว่ามันเป็นของพวกผู้ขัดสนทำงานอยู่ในทะเลฉันตั้งใจจะทำให้มันมีตำหนิ เพราะเบื้องหลังพวกเขานั้นมี ก, กษัตริย์องค์หนึ่งคอยยึดเรือดีๆทุกลำโดยใชยอ้อำนาจและส่วนเรื่องของเด็กนั้นก็คือพ่อแม่ของเขาเป็นผู้ศรัทธา เรากลัวว่าเขาจะเชี่ยวเข็นให้ทั้งสองตกอยู่ในการละเมิดและปฏิเสธศีลดังนั้นเราปรารถนาฆ่าเขาโดยหวังว่าพระผู้มีมาลของเ ท, ทั้งสองจะทรงเปลี่ยนลูกที่ดีกว่าให้แก่ทั้งสอง <متحدث> <تحدث> وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَ مِينَةً م َ ي ن ٍ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ ك َ ز ُ ل َ ه ُ م َ ا وَكَانَ تَحْتَهُ ك َ ز ُ ل َ ه ُ م َ ا وَكَانَ أَبُوهُمَا ص َ ا ل ِ ح َ ا فَأَرَادَ رَبُّكَ أ َ ن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا ر ر และส่วนเรื่องของกำแพงนั้นมันเป็นของเด็กกำพรา้าผู้ชายสองคนที่อยู่ในเมืองและใต้กำแพงนั้นมีขุมทัพย์ของเขาทั้งสอง และพ่อของเด็กทั้งสองก็เป็นคนดีดังนั้นพระผู้อวิบาลของท่านประสงค์ให้เด็กทั้งสองบรรลุสู่ความเป็นผู้ใหญ่และจะให้เขาทั้งสองเอาสมบัติของเขาทั้งสองออกมาเองเป็นความเมตตาจากพระผู้อวิบาลของท่านและฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้นตามความพอใจของฉันนั่นคือความหมายที่ท่านไม่สามารถมีความอดทน และพวกเขาก็จะถามเจ้ามูฮัมหมัดเกี่ยวกับสุลกรไหนจงกล่าวเถิ ฉันจะเล่าเรื่องของเขาแก่พวกเจ้าอินนัมเคนนัลฮูฟิลอัดีแะอัตเ ي ن ห์มินคุลชัยอินซบบะแท้จริง <gosto> เราได้อำนาจแก่เขาในแผ่นดินและเราได้ให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการ <bitcoin> ดังนั้นเขาจึงมุ่งไปทางหนึ่งคือทางทิศตะวันตก จงกระทั غ غ ت ت ่งเมื่อเขาเดินทางไปถึงดินแดนที่ดวงอาทิตตก เขาพบมันตกลงไปในน้ำคุณดัาและพบณที่นั้นชนกลุ่มหนึ่งเราอัลลอฮ์กล่าวว่าโอซุลกอรไนเจ้าจะลงโทษพวกเขาหรือทำความดีต่อพวกเขาข้าวซุลกอรไนกล่าวว่า ส่วนผู้ที่อาธรรมนั้นเราจะลงโทษเขาแล้วเขาจะถูกนำกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเขาฉะนั้นพระองค์จะทรงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างรุนแรง และส่วนผู้สัมผาสแล้วก็ประกอบความดีนั้นสำหรับเขาคือการตอบแทนที่ดีและเราจะพูดกับเขาในกิจการงานของเราอย่างง่ายๆและเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่งทางทิศตะวันออกัั่ั่ััััััััััััััััััมัวัััดัััััััััััััััััลัััััจััลััััมัััััััาัิัรา จนกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปยังดินแดนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเขาพบมันขึ้นเหนือกลุ่มชนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้กระทำที่กำบังแดดให้แก่พวกเขาเช่นนั้นแหละเรายัางรู้ข่าวคราวที่เกี่ยวกับเขาแล้วเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่ง นะจกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปถึงบริเวณระหว่างผาทั้งสองเขาได้พบกลุ่มชนหนึ่งที่เชิญคูผาทั้งสองนั้นซึ่งพวกเขาเกือบจะไม่เข้าใจคำพูดกันเลย قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج م ف س د و ن في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وخلقوا أصل القرن تجيم ن يجود ل ك ما يجودن เป็นผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินนี้ดังนั้นเราขอมอบบรรณาการแด่ท่านเพื่อท่านจะได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างพวกเรากับพวกเขาขาวสุลกรหนกล่าวว่าสิ่งที่พระผู้ริบาลของฉันได้อำนาจแก่ฉันดียิ่งกว่า แต่นั้นพวกเจ้าจงช่วยฉันด้วยกำลังฉันจะสร้างกำแพงที่แข็งแรงกั้นระหว่างพวกท่านกับพวกเขาออตูนิซุบรัลฮีด حتى إذا ساوا بين الصدفين قالا فقو حتى إ ذ า جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه ิ ط ร ة พวกท่านจะเอาเหล็กท่อนโตๆไหมฉันจงกระทั่งเมื่อพวกเขาได้ทําให้บริเวณภูเขาทั้งสองเสมอกันเขาก็กล่าวว่าจงเป่ามันด้วยเครื่องเป่าลงจงกระทั่งเมื่อเขาได้ทําให้มันร้อนเป็นไฟเขากล่าวว่าปล่อยให้ขังเททองแดงล้อมลงไปบนมันมมดังนั้นพวกเขา ยายุดและมายุธก็ไม่สามารถจะทำามันได้และไม่สามารถจะขุดโพรงผ่านมันไปได้โอวละนัร่ำเตุมนรอบบีขาสุลการะกล่าวว่านี่คือความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของฉัน ดังนั้นเมื่อสัญญาของพระผู้วิบาลขังฉันมาถึงพระองค์จะทรงทําให้มันพันทลายและสัญญาของพระผู้วิบาลของฉันนั้นเป็นจริงเสมอแล้ววันนั้นเราจะปล่อยให้บางส่วนของพวกเขาประทา่ากับอีกบางส่วนและสัญจะถูกเป่าขึ้น แล้วเราจะรวมพวกเขาไว้ทั้งหมดและ ว, วันนั้นเราจะนำนรุกยานนำมาเสนอแก่พวกปฏิเสธศรัทธาคือบรรดาพืชดีดวงตาของพวกเขาถูกปกปิดจากการดำึกถึงข้า และพวกเขาไม่สามารถที่จะได้ยิน إ أ แล้วบันดาบุปฏิเศสศธาได้คิดแล้วหรือว่า พวกเขาจะยึดเอาปวงเบาของข้าอื่นจากข้าเป็นผู้คุ้มครองได้แท้จริงเราได้เตรียมนรกยานนำไว้เป็นที่พมนักสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเราจะแจ้งให้พวกท่านทราบเอาไหม ถึงบรรดาผู้ที่าดผลยิ่งในการงานคือบรรดาผู้ที่การผข ว, วายของพวกเขาสูญสิ้นไปในการมีชีวิตในโลกนี้โดยที่พวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาทำความดีอยู่แล้ว เขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและการพบปะกับพระองค์ดังนั้นการงานของพวกเขาจึงไร้ปรย และในวันกิยามะเราจะไม่ให้มันมีค่าแก่พวกเขาเลยนั่นแหละการตอบแทนของพวกเขาคือนรกยานต์หนึ่งจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและพวกเขายึดอาวค์การทั้งหลายของข้าและบรรดาหอซูลทั้งหลายของข้า เป็นท้จริงบิดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีสำหรับพวกเขานั้นจะรับสวนสวรรค์ชั้นฟื้เดาเป็นที่พำนักพวกเขาวำนนักอยู่อย่างถาวรในนั้น โดยที่พวกเขาประสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงใจไปจากมันลลคนลบะ์รดดัลลิลมตรบบีลนิดลบะ์รวัลลัอนตฟดคิลมัตรบบีวลูจนบิิฮดดงกล่าวเิดมฮัมหมัดว่าหากว่าทะเลเป็นน้ำหมึกสำหรับบันทึกพจนานของพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนทะเลจะเกิดแห่ง ก่อนที่พจนาของพระผู้อภิบาลของฉันหมดสิน้นไปแม้ว่าเราจะนํามันเยี่ยงนั้นมาเป็นน้ํามึน อ, อีกก็ตักกุลอินนมาอะบัชรมิตลุกุมยูฮาอิลัยยอันนมาอิล ாஹ ุกุมอิล ாஹ ูวาฮิด ب ب أ ا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยงพวกเจ้ามีองค์การแก่ฉันว่า แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่นั้นผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้อภิบาลของเขาก็ให้เขาประกอบการงานที่ดีและอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพพระดีต่อพระผู้อภิบาลของเขาเลย